เรื่องกแ่กรรมจะต้องตอบยังจำในใจและช่วททำดีทำใจให้ใสชีวิตล้ำตายจะได้ไปสู่วสวรรค์ okay, เรื่องของกฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่ ใกล้ตัวเราเลยนะตัวเราเลยละไม่ใช่ใกล้อย่างเดียวมันเกี่ยวนึงกับตัวเราเลยนี่ต้องศึกษาเอาไว้แม้จะฟังเป็นนิยายป ร, รำบราก็ะทำต้องศึกษาก็ผมเป็นแฟนพันแทของวัดพระธรมกายมาตลอด20ปี<า>ได้มาเริ่มบุญทุกงานบุญของวัดพระธรรมกายแม้ทาว่าจะมีข่าวจากสื่อโคมลอย ก่อนเขาเอาโคมจุดแล้มาลอยขึ้นแล้วก็เขียนข่าวแล้วก็จากความเข้าใจผิดที่ไม่มีเหตุผลในอ่านตามที่เขียนมันนะกับผมก็ยังคงมาอย่างสรรม่าเสม อ, อมปัจจุบันกับผมบวชเป็นพระได้ยี่สิบันสาแล้วครับสาธุ กระผมกล่าวขอความรูลุนาังครูไม่ใหญ่เมตตาฟันนผ่านเรื่องของกระผมดังตอบอป็นนี้ครับอ๋อพระยังคงส่งเคสแสดงว่าเรื่องราวของชีวิตเป็นสิ่งที่เคยะไรก็อยากกระุ้นนะแต่ก็ไม่รู้จะไปหาความรู้ที่ที่ไหนเนี่ยนอกจากในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครูไม่ใหญ่ก็ไปทรงจำมาเราก็ศึกษาจากมหาปูชนียาจารย์ล้วก็มาฝันเป็นตุเป็นตะเรื่อยกันมา <Okay. S 1> ต่อเนื่องวันที่9พฤษภาคมของวปีเต็มนี่ฝึกสอนไม่ได้3ปีเสร็จแล้วเกือบ4ปีแล้วนะจ๊ะยุโมของก็บผมเป็นคนเชื้อสายจีนอยู่บุรีลำ อายุได้ 18-19 ปีโยมพ่อเข้ามาทำงานอยู่ในกรุงเทพได้มาพบสาวเมืองนนท์ไม่พูดพรามร้องเพลงก็อยู่กินกันเลยก็คือโยมแม่ของกระผมนั่นแหละมีลูกทั้งหมด6คนโยมพ่อมีอาชีพขับแท็กซี่โยมพ่อชอตสุโขทัยแต่ทุกเย็นหลังเลิก ง, งานสิ่งที่โยมพ่อไมเลืมคือจะต้องกรึบเหล้า ก่อนนอนทมเนียมนี้ควรจะเลิกได้แล้วแหละมันต้องเลิกปลิดปลิดโรงงานไปเลยะเนี่ยพอเราถึงท้องท่านก็นจะหลับฟุบจุดตรงนั้นต่อไปก็เป็นหน้าที่ของยมแม่และลูกๆสามสี่คนช่วยกันหามเข้าห้องนอนเป็นกิจวัตรกิจวัตรช่วยหามคนนี่ไม่ไหวเนะย จากร้แทกผมได้บวชที่วัดพระธรรมกายอ๋อบวที่นี่เนอะ <c oughs> หลังจากบทชได้เครื่องมันสาแรกก็ผมก็ได้ไปโปรโดโยมพ่อโยมแม่ที่บ้านโดยการแสดงทมเรื่องศีลห้าและอันดีสงการรักษาศีลนี่ัต่ทั้งสองฟัง <c oughs> มันเป็นความพิติและเบิกบานใจของทัท้งสองจากนั้นมากระผมยึงทราบจากโยมแม่ว่าโยมพ่อเลิกเราและบุรีหมดแล้ว <c oughs> ไปหลังโยมพ่อมาเสียชีวิตในขณะนอนพักผ่อนอยู่บนเก้าอี้นอนโยกไปโยกมาได้หลับไปอย่างสงบตอนอยุยุอายุได้เจ็ดสิบแปดปีโยมแม่ของผมในเดือนธันวาคมปีสองห้าสาศูนได้ประสบอุบัติเหตุระตกจากท้ายมอเตอร์ไซค์ในซอยขณะกำลังจะกลับบ้านนอนสลบคาที่และก็ได้ไปฟื้นที่โรงพยาบาล รักษาร่างกายหายเป็นปกติแต่พอปี40ถึง10ปีต่อมานะจ๊ะยวแม่ก็เป็นโรคซอมหมองฝ่อความจำเลอะเลือนคอยแต่จะเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าบอกว่าจะไปบ้านย่าพอกระเป๋าไปซ่อนท่านกับเปยมมาใส่ถุงหูหิวแทน <laughs> คือท่านไปเก็บอุปกรณ์ใส่ของให้ท่านยศแม่เริ่มทานจุจนอ้วน ตอนหลังท่านหลงลืมขนาดเอาเอาอาหารเก่าของตัวเองเนี่ยมาใส่จานขยําเล่นแต่เวลากับผมไปเยี่ยมเยี๋ยมแม่จะเดินบนรอบตัวกับผมให้ชัวร์แล้วก็พอเดินรอบได้สองสามรอบแล้วก็พูดว่าพระมาพระม า, ะมา อ, อมืเหมือนจะจําได้โดยไม่แต่ต้องตัวกับผมเลยแสดงความทรงจําท่านพอเห็นพระลูกชายจําได้ การเสียชีวิตประมาณหกเดือนยวแม่ไม่ค่อยจะทานอาหารจนผอมลงไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ยอมนอนถ้าจะนั่งพิงหลับคอพับไปข้างหน้าทำให้เส้นที่คอยุดตั้งกลมหน้าอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเลามองต้องเหลือบตามองในทุกอย่างมันมีเหตุทั้งนั้นแหละยวแม่ได้เสียชีวิตลงด้วยอาการสงบรมอายุดได้เจ็ดสิบปีน้องชายคนเล็กของกรผมเคยบวชพระอยู่หนึ่งมัสย เขาได้เสียชีวิตลงในอุบัติเหตุจากการขับขี่จักรยานยนต์ครมรอยยุธได้ยีสิบสี่ปีโยมอาน้องชายของพ่อก็เคยบวชพระหยุดสามพรรษาต่อมาก็ละจีวอนไปหาบาังออนซึ่งเป็นแม่ไม้บังออนนั้นเป็นแม่ไม้บังเอิญมาเจอกัน <laughs> บับงเอิญเจอบังออนเข้า ก็รับมง อ, อนนั่นน่ะมีลูกชาติดมาด้วยหนึ่งคนต่อมาก็มีลูกสาวใหม่ด้วยกันอีกหนึ่งคนโยมอาชอบดื่มเหล้าดูบวชเสียเหลืองหมดบวชแล้วลาสิกขาไปแล้วนี่แต่จะต้องเป็นต้นบุญต้นแบบดีของโลกนะจ๊ะนี่สาคัญนะจ๊ะใครบวชช่วงสั้นๆเนี่ยลาสิกขาไปแล้วต้องมีศี่ห้าเป็นปกติ อันพระถือศีลแปดแล้วก็ตัรหบรพุทธศาสนาปฏิบัติธรรม ะ, จะเจริญภาวนาอย่างนี้ถึงจะดีนะจ๊ะไอเจพระราศิกาแล้วก็ไปดื่มเมาแองยังไม่ถูกหลักวิชาชา่เมาแล้วก็ชอบทำร้ายร่างกายพระยาเป็นประจำนี่วันหนึ่งลูกเลี้ยงทนไม่ไหวจึงตีดิดามจอบจนยมอาเสียชีวิตโอโยยุติห้ิบี่ปี เขไปทำกับแม่เขาไว้นี่แต่กัผมก่อที่กรุงเทพเยอะแมแม่ลายฟังว่าตอนคลาดก็ผมมีบุญมากก็ผมขลอดในรถเกง๋งไม่บอกหมายเลขก็ด้วยโอ้เบาหวยจะได้แทงตอนนี้กำลังสับสนอยู่คลาดที่หน้ากรมการทหารมาสนามเป้า ตอนพระท่านตีกรองเพลงพอดีคลอบเวลาฉันเห <c oughs> มือนรถวิ่งต่อมาถึงโรงพยาบาลหญิงคือโรงพยาบาลราชวิถีเจ้าท้ที่พยาบาลมาจับตัดสายรกผูกเส้นได้ห้ามเลือดแม่และลูกยังปลอดภัยทั้งสองคน <c oughs> พอกระผมว่ายุ่ได้ไปถึงครบก็มีฝีหนองเกิดขึ้นเต็มที่ศั์ของกระผมนเรื่องนี้มีเหตุทั้งนั้นนหะรักษาอย่างไรก็ไม่หายโนยมแม่โอเอือมระอา เราต้องคอยใช้น้ําอุ่นเช็ดทาความสะอาดอยู่ตลอดนี่เห็นไหมเจะต้องโบวชตลอดชีวิตทดแทนพระคุณท่านเลยเพราท่านทํามันอย่างนี้มาให้แต่พออยู่ได้ครัวบึ้งก็หายไปเองเออเห็นไหมเจ้าโรคนี้น่าศึกษารวนมีเหตุกระผมเป็ลูกชายคนที่สี่ในจํานวนพี่น้องหกคนจะมีผู้ชายห้าคนผู้หญิงหนึ่งคนยศแม่จะคอยปลอบสอนลูกๆโดยเฉพาะในตอนทานข้าวพร้อมหน้ากัน เออเนี่ยจะก่อนก็จะทานข้าวพร้อมกันแล้วกัท่านจะอบรมกันตอนนั้นเพราะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพูดได้จะเร็วทีเดียวรู้ทั่วถึงกันเลยโดยย้ำสอนลูกที่เป็นผู้ชายอยู่เสมอว่าการเป็นผู้ชายั้งบวดพระให้พ่อแม่ก่อนที่จะมีเมียโอ้คําสอนนี้ประเสริฐจริงยิ่งเลยนี่อยากให้คุณแม่หรือว่าที่คุณแม่เนี่ยพึง่งจาประโยคนี้เอาไว้ สอนลูกชายต่อไปนะจ๊ะว่าเกิดเป็นผู้ชายจังบวดพระให้พ่อแม่ก่อนจะมีเมียยะแม่พูดย้ำเรื่องบวชให้พ่อแม่นี้เสม อ, อนี่ต้องตอกย้ำซ้ําเดิมไปเรื่อยๆอพอกระผมมียึดถึงเกณฑ์ทหารกระผมก็ได้ไปเป็นทหารขณะยังเป็นทหารอยู่นั้นกระผมก็ได้รู้จักว่าพระธรรมการจากหน้าหนังสือพิมพ์ สำราก็มีคนนำหนังสือธรรมทายาธมาไว้ตรงที่กับผมอยู่อืมจะมาเป็นธรรมทายาธตายต้องมีบุญเห็นไหมจ๊ะคนทั้งหลายพันล้านคนแต่มาเป็นธรรมทายาตชายหรือหญิงนิดเดียวเท่านั้นเลยลก็ผมยังได้หยิบมาอ่านตอนแรกคิดว่าอมันก็คงไม่น่าจะสนใจเท่าไหร่อ่านไปอ่านม า, า, นม า, านรู้สึกดีเหมือนี่ <laughs> จึงหยิบมาอ่านอยู่เรื่อยๆแล่มเดียวอ่านห้าสิบรอบที่ไอห้าสิบรอบเพราะกับผมชอบและประทับใจเรื่องชีวิตชาวนาที่ออกบวชในหนังสือนั้นมากก็ผมเกิดอารมณ์อยากบวชขึ้นมาเลยเป็นทหารอยู่นะเจงไปกราบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาว่าผมอยากเป็นทหารก อ, องทัพทผมผู้บังคับบัญชาบอกโอเค กับผมก็ได้นำทูบเทียนแพรกราบลาโยมพ่อโยมแม่ขอบุตรทั้งนั้งสองก็บปีติใจมากจากนั้นกับผมก็ได้เดินทางเข้ามาอบ ร, ร, รมธรรมทายาทที่วัดพระธรรมกายในปี2529ทั้งทั้งที่ยังไม่เคยมาวัดพระธรรมกายเลยอืม <c oughs> คนที่เคยสร้างบุญร่วมกันมีสายบุญด้วยกัน <c oughs> พบกันครั้งเดียวก็ถือว่าสมหวังแล้วประสบความสําเร็จแล้ว แม้อ่านหนังสือเจอกันครั้งเดียวแล้วมาวัดได้ถือว่าได้ประโยชน์แล้วนะจ๊ะนี่ไงไม่เคยมาวัดเลยแต่บุญที่เคยทําร่วมกันมาเนี่ยทนไม่ได้นะจ๊ะไออยู่ต่างประเทศนี่นะก็ทนไม่ได้ไต้องมากันถ้ามีสายบุญแล้วก็อยู่ที่ไหนก็ทนไม่ได้ต้องมาวัดพระธรรมมา หลังบวชได้หเดือนสอบนักธรรมเสร็จแล้วคืผมก็ได้กราบลาพระอาจารย์ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดในจังหวัดสุพรรณบุรีจต่กับผมก็ยังมาร่วมบุญกมูคขคณนะทุกวันอาทิตย์จนนั้นปี2 5, 3, 1, องหนึ่งกับผมก็ได้ไปช่วยงานพระเพื่อนโดยประจำอยู่ที่เจดงกรัตถาล้านาสาขางวัดพระธรรมกายทําให้ได้มาวัดพระธรรมกายเฉพาะงานบุญใหญ่หรือวันอาทิตย์ต้นเดือนเท่านั้นตามมาปี25งหสา็ ก็มียมหญิงเป็นน้องสาของเจ้าวาดได้นิมนต์กระผมให้ไปอยู่ประจำช่วยงานเจ้าวาดอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่โดยเจ้าวาดารู้ทีก่กระผมมาอยู่ด้วยนี้นะเป็นเจ้าวาดองค์แรกท่านเป็นผู้บุกเบิกสร้างวัดนี้้วยปัจจัยของท่านเองทั้งหมด<า>โอ้ตั้งแต่ซื้อที่ดินสร้สางโบสถ<า>์ส<า>ส สร้างศาลาสร้างทุกอย่างในวัดท่านได้มาสร้างวัดแห่งนี้เมื่อปีสองห้าสามสี่ะนั้นท่านอายุได้เจ็ดสิบสามปีก่อนหน้าที่จะมาสร้างวัดนี้ท่านบวชเป็นพระประจำอยู่ที่ประเทศสิงค โ, คโปร์เป็นเวลาหลายสิบปีจนท่านชราถึงนประจที่ญาติโยมถวายมากลับมาเมืองไทยเนี่ย มาซื้อที่ดินสร้างวัดที่จังหวัดสุรินทร์ท่านเป็นคนตรงในวัดของท่านท่านอยห้ามไม่ให้ใครทิ้งขยะห้ามนําสุราหรืออบายมุขเข้ามาในวัดเด็ดขาดท่านบอกว่าที่สิงห์ปภกสะอาดมีระเบียบมากที่ท่านบอกอย่างนั้นเนี่ยเห็นแม่เจ้าปับพระภิกษุสงฆ์นั้นท่านคือเนื้อนาบุญสร้างวาดัดดุจดวงท่านเอง ส่วนตัวกระผมจะเป็นคนทำความสะอาดปัดกวดเช็ดถูดูแลความเรียบร้อยของวัดตกเย็นก็จะนำสาธิชนสวดมนต์ทำวัดเย็นเพราะเจ้าวรวาสได้มอบหน้าที่นี้ให้กับผมในต้นปี2539ตัโบสถ์ก็สร้างเสร็จทาสีเรียบร้อยพอถึงปลายปีท่านเจ้าวาดกับมรณภาพลงด้วยโรคหัวใจล้มเหลวรวมสิริอายุได้78ปีสร้างวัดไม่ได้5ปีแต่นักเจ้าวาดองค์ที่สองก็ขึ้นดารงตําแหน่งอยู่ได้1ปี สังกัจยาพิยวัดอื่นเจ้าวัดอง์ที่สามก็มาแทนที่อยู่ได้สี่ปีก็มรณาภาพลงลกกนในโรกบนโลกในปีสองห้าสี่หกรัชันสุบุรีจัดรดนเสียอายุได้ปสิบสองปีพอมาถึงเจ้าวัดองค์ที่สดํดำรงตำแหน่งได้สาปีโอ้ท่านก็นมมรณาภาพลงอีกเปรืองเจ้าวาดจังหวัดนี้ ปีสี่ก้าโดยการหลับและมรณาภาพไปยีเฉยรวมเสลยยุดิหายสามปีรวมและที่วัดนี้มีเจ้าวาดมรณาภาพไปแล้วสามรูปดดวยกันตัวก็ผมเองนี่ก็ชักหวาเสียวพอะมางช่วยเจ้าวาดอนทิสามก็ผมก็รีบรับนิมนต์จากญาติโยมให้ไปรักษาการอยู่ที่สุดรงก็สถานล้านนะเอเมืองแก้วไอกว่าดีกว่าดีกว่า ก็อยู่เมืองแก้วดีกว่าแต่ก็อยู่ไม่กลายจากวัดเดิมแล้วก็อยู่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้บาดเสียวโอ้ใช้จ่าาดเปลืองอ่านได้ก็จบแล้วโยมพี่เคยกขก็ผมเป็นชายเจลลี่มาปี30เขาอายุ54ปีได้ประสบัติเหตุทางรถบาสที่พลาดายบาดเจ็บสาหัสกรามหักขาหัก กระดูกหัวไหหักกระดูกข้อมือหัก oh. เส้นเอ็นที่ขาขาจะไม่สามารถเดินได้ oh. ผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเอ็นไปผ่าตัดที่ต่างประเทศถึงสิบสองครั้ง oh. แต่ไม่สำเร็จ oh. ไม่สามารถเดินได้ oh. <laughs> หมอนัดผ่าอีกครั้งเ oh. มื่อวันทาสิบสองครั้งไม่สำเร็จต้องครั้งที่ส oh. ิบสามยมพี่เขยก็ท้อแท้ใจมาก oh. นี่ท้อริสุ์เลย oh. <laughs> ท้อบริสุทธิ์ก็เรียกท้อแท้เอาจะท้อไม่บริสุทธิ์ก็เรียกท้อไม่แทนได้บอกกับทุกคนว่าถ้าผ่าแตกครั้งนี้แล้วยังเดินไม่ได้เขาจะขอฆ่าตัวตายรกระผมซึงตอนนั้นบวชแล้วจึงได้บอกกับโยมพี่เคยว่า อยู่คิดว่าจะฆ่าตัวตายแล้วไปหาอาจารย์ของไอ้ดีกว่าอาจารย์ไอ้นี่นะเก่งจะช่วยยูได้ก็ผมยังได้พามากราบกุญญาจารย์ที่วาปธรรมกายไม่ยอมไปเขยเหนกุญญาจารย์ในชัยตรีนะจ๊ะทราบว่าท่านอายุ88ปีถึงก็อุทานว่า look at you โซบิิฟูลโอ้ทำไมสวยอย่างนี้ uh huh. ไม่เหมือนคนอายุ88ปีเลย uh huh. เหมือนก็อายุสัก50ปีโยมพิเขยจับมือคุณยายมากอดพูดทั้งน้ำตาว่าให้ช่วยเขาด้วย uh huh. โยมพิสาวจึงถามคุณยายจา์ว่าโยมพิเขยจะหายไหมหาย uh huh. แล้วรับปากว่ายายจะช่วย uh huh. ต่อมาก็เขารับการมาจัดครั้งที่13เป็นผลสำเร็จ สามารถเดินได้ทำให้พ oh, <so. S 1> ี่เคยมีความสุขมาจนปัจจุบันนี้ oh. เห็นไหมเจ้ oh. นี่ไง oh. นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลย k at you <c oughs> so beautiful <c oughs> <c oughs> คำถามโยมาตายแล้วไปอยู่ภพภูมิใดตอนนี้ท่านตายใหม่รู้สึกตัวใหม่ว่าตายแล้ว ยมพ่อมีอะไรฝากมาบอกลูกๆบ้างกรรมใดทำให้ยอมแม่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมคอยแต่จะเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเป็นมาถึงขนาดขายาอาหารเก่าเล่นและกรรมใดทาให้ท่านไม่ยอมนอนนั่งพิงหลับจนเส้นที่คอยือดต้องก้มหน้าตลอดเวลาจนเสียชีวิตยวมแม่เีกตินิมิตรตายอย่างไรตายแลว้วไอยู่ภพภูมิไหนครับ ย้อนล้องชายคนเล็กตอนใกล้ตายนึกบุญที่ได้บวชพระได้ไหมครับตอนนี้ไปอยู่ภพภูมิใดกรำใดธรรมยมอาถูกลูกเลี้ยงฆ่าตายตายแล้วไปอยู่ภพภูมิใดครับบุญธรรมยมอาได้เคยบวชพระมาช่วยโยมอาอย่างไรบ้างครับท่านเจ้าวาดองค์แรกที่บุกเบิกสร้างวัดเองส่งมรณภาพแด้ไปไหนครับบุญที่ท่านได้มีโอกาสไปสร้างวัดด้วยปัจจัยนั่นเองทั้งหมดพยายามที่ท่านชาราแล้ว บนนิสสังบนิท่านเป็นอย่างไรบ้างครับท่านจะาวาดอนติศาอนตที่4 ท, ที่มรณาภาพไปท่านท่านทั้งสองมรณาภาพแล้วไปอยู่พบภูมิหนครับกำเนิดธรรมยมที่เขยประสบอุบัติเหตุจนกระดูกหักหลายแห่งเส้นเอ็นที่ขาขาจะต้องผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเอ็นอยู่ถึงสิบ ส, สามครั้งที่เดินได้เพราะคุณยายช่วยใช่ไหมครับถ้าไม่ได้มากราบขอความช่วยเหลือคุณญายจาย์ขาจะเดินได้ไหมครับหรือจะต้องข้าตัวตายตามที่เขาพูดไว้ กรรมใดทำให้โยมพ่เขห์ปวดทรมารในกระดูกจนต้งองฉีดมาฟีนทุกๆสามชั่วโมงการฉีดบาฟินระงับความปวดของโยมพ่เคห์จะทําให้มีพิบาตกรรมรืไมไหมอย่างไรครับเพราะว่าเป็นสารเสพติดกรรมใดท้ากัผมมีฝีหนองเกิดขึ้นติดศีรษะตั้งแต่ยุ่ไม่ถึงควบต่อมาก็หายไปเองเพราะเหตุใดครับเคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถคันที่กับผมนั่งมาวัดถึงสองครั้งครั้งแรกรถบ้าที่กับผมนั่งมา คนขับเกิดหลับในขับรถผิดเลนยังประสานงานกับรถสิบราะครั้งที่สแล้วกระบะ ท, ที่กระผมนั่งมาได้พลิกคว่ำสารสลบตายไหมไม่ตายกระผมรอบมาได้ทุกครั้งเป็นเพราะกรรมใดครับกระผมเคยสร้างบารมีมากหม่อคณะอย่างไรครับ <c oughs> ในพุทธันดรที่แล้วกระผมได้ลงมาสร้างบารมีกหม่อคณนะหรือไม่กระผมเป็นญาี่อะไรในกองทัพธรรมีฝังบวชมานานแน่นแค่ไหนครับ จาเสดแล้วกับผมเคยเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดไหนหรือเปล่าชาวปัจจุบันกับผมมีบุญที่จะบวชตลอดชีวิตหรือไม่และจะต้องมาทําหน้าที่เป็นเจ้าวาดหรือเปล่าครับก็วัดนั้นเงยระว่างจําเรื่องราวและคําถามได้ไหมจ๊ะจำได้ ลาบตาฝันเป็นตัวเปตาตึงขึ้นมาแล้วก็นําไลยฟังเป็นนิยายปารามปรากญจายยมพ่อตายแล้วก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกของมหานรกขุมหาา้าโดยกำสารแลบุรีจึงรู้ว่าตัวตายในตอนนั้นภาพเลยตอนนี้กำลังถูกเจ้าหน้าที่กรอกน้ำสังแดอะ แล้วกิเจ้ร้อนทุกทรมานมากบินทุรนทลายมีเวลาพูดใช่จะไม <นะ S 1> ่ได้บุญบวชของพระลูกชายจะไปมหาราลกน่ะจ<อ>ังนั้นให้ลูกทำบุญที่สูงสุดไให้ท่านเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะพ้นจากยมโลกาช่ ท, ท่านไปพักยมโลกชั่วคราวะ จ, จไปศึกษาดูว่ามีจริงไออนี่มาเชื่อตอนเป็นหรือจะไปเห็นตอนตาย นี่มีจริงัหมเดี๋ยวโรก อ, อัวที่ไปเรื่อยแทงกระพนตอนนี้ก็ดีขึ้นมาั้งเยอะแล้วยวมแม่ ป, วป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมคอยแต่จะเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเป็นมากขนาดขยาอาหารเก่าเล่ไม่ยอมนอนนั่งพิงหลับจนเส้นที่คอยึดตั้งกำหนิดตลอดเวลาจนเสียชีวิตละ การสุราและมุสาและวะจีคาอื่นๆใ<อ>นอดีตและปัจจุบันนามาส่งบน้ะ โ, <อ>โดยแนดีชอบดื่มโรามากเมื่อเมาแล้วก็ชอบด่าวา่าโกหกผู้อื่นอยู่เสมอเ<อ>ช่นตอนมอดื่มสุราเมาแล้วก็กลับบ้านเดึกดินมารดาก็นั่งคอยจนนั่งหลับ แต่ก็กลับมาด่าว่ามารดาที่นั่งหลับขาคอยเปิดประตูให้องนั้นเดียอเป็นห่วงจนทำให้ท่านเสียใจเสมอเลยเป็นต้นใะนี่เลยจ้ะน้ำเมาน้าเมาเห็นไหมจ้ะนี่น้ำเมาคมุสาละบาจีกรรมด่าว่าผู้มีพระคุณแล้วก็ผู้อื่นนั่งหลับตัวเลยต้องมานั่งพิงหลับเนเส้นที่คอยอยุดกลมหน้าตลอดเวลาสมองเสื่อบด้ว ย, ยนี่ และผู้ผลีผู้จำนายสุราเมลัยน้ำเมาบุรีรับผิดชอบหรือเปล่ า, าไม่รับผิดชอบอะไรเลยเห็นไหมจ๊ะนี่ตายแล้วโยมแม่ก็ไปเป็นภูมทิทิวาระดับล่างซึ่งทางกาจะมีการที่ไม่ค่อย ส, สมบูรณ์นักใคล้ๆตามเป็นมนุษย์คือเลอะเลือนหลง<อ>เลอะเลือนเอนห ล, ลงด้วย<อ>ให้ลูกบำเพ็ญสมณธรรมไปเรื่อยๆเล ย, เลยอุทิศบุญไปให้ทำบ่อยๆ เดี๋ยวก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆจ้ะนี่แมก ร, รัมสุราเมลัยบุรีนี่ประจีกรรมดาวว่าภูมิบุคคลนั้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะจ๊ะน้องชายคนเล็กตายแล้วร่อนเลขอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วจ้ะไม่อาจจะรับบุญได้โยมาถูกลูกเลี้ยงข่าตายเพราะกรรมในอดีตชอบดื่มสุราจนเมา เราก็ชอบชกต่อยทุบตีทะเลาะวิวาดกับผู้อื่นเป็นประจำเมาแล้วก็จะอย่างเนี้ยมีครั้งหนึ่งได้ทะเลาะกับขี้เมาด้วยกั น, นคนเมาแต่คนเมาขาสสดสติด้วยกันทั้งคู่เลยทะเลาะกันได้ทุบคู่ต่อสู้ตายผุดตายผูกเวนเอาไว้ขี้เมาด้วยกันนะี่ยแล้วก็ได้มาเกิดเป็นลูกเลี้ยงในชาตินี้ ดนั่นและแล้วก็ฆ่าโยมอาตายจ้ะคือวิบากกรรมได้ผลเมื่อไหร่สอนละเอียดได้ช่องเนี่ยมันดึงดูถจาไาเจอกันปับ๊บเหมือนระเบิดเวลาที่ตั้งเอาไว้อยู่ในตัวตุ่มกันมาก็เกิดเหตุจารณที่ไม่ควรกดตายแล้วโยมอาก็ไปทันทีเลยจ้ะไปอุตสถานนรกของมหานารกขุม5เดียวก ร, รมดื่มสุรนานี่ผู้เพลิด ผู้จำหน่ายไม่รับผิดชอบเลยกำลังแหวกว่าอยู่ในทะเล น, น้ํากรธสีดําร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากจาก้ะ<อ>บุญที่บวชพระช่วงสั้นตามประเพณีโดยไม่ได้ตั้งใจก็ช่วยให้ไม่ไปตกมหานรกขุมหา้า<อ>ซึ่งจะทุกข์ทรมานมากกว่าอุตศธนรกมากและยาวนานกว่า<อ>แต่ได้ทำบุญอดีตไปให้ท่านบ่อยๆบุญนี้ก็จะได้ไปคอยอยู่ที่ยมไปคอยอยู่ที่โยมโลกจก้ะเ่อท่านพ้นจากอุตศธนรกแล้วท่านก็จะได้มารับบุญที่ยมโลก จเจ้าวาดอง์แรกบุกเบิกสร้างวัดมาเองมรณภาพไปแล้วเนี่ยท่านน่าจะไปเกิดที่สูงกว่านี้เยอะนีแต่ปรากฏท่านมาอยู่ตรงนี้ก่อนเนี่ยเคยไปเกิดเป็นยักษ์ชั้นสูงหรือยักษ์หล่อเนี่ย<อ>นี่เป็มาเป็นทองใหญ่โตที่บุญที่สร้างวัดบนสวรรค์ยันจัตุมหาราชิกา<อ>ที่ไปเกิดเป็นยักษ์พราะท่านเป็นคนขี้งุดญิดชอบดุใช่ชอบดุ<อ> ก็เลยต้องไปเกิดเป็นยักษ์<อ>นี่<อ>ไม่ใช่ขนาดสร้างวัดนะยัง<อ>ต้องมาอยู่ตรงนี้ก่อนเลย<อ>นี่ทำไมงดยิตแล้วยามา<อ>สวรวันชั้นสามนี่งดหิตมันเลยดึงไว้ตรงนี้พระเจ้าจว่าองทิศสามมรณภาพแล้วก็ไปเกิดเป็นยักษ์ชั<อ>้นกลางบนสวรชัน้นจัตุมหาราชิกา เป็นยักษ์ที่มีควันออกจากจมูกตลอดเวลาเจ้าวาดนะอนุสาวรมีควันออกจากจมูกเลยเพราะตอนเป็นมนุษย์ตอนเป็นพระท่านมีปกติใจคุณแต่ไม่ถึงกับหมองนะคุณอยู่เรื่อยมันขุ่นใจเรื่อยและชอบสูบุรีตอนเป็นมนุษย์แม้เป็นเจ้าวาดก็ยังปุ๋ยปุ๋ยอยู่ นั่นงเป็นยักษ์ที่มีวันออกจากจมูกตลอดเวลาเลยก็เก๋ไปอีกแบบท่านจะรวัตองค์ที่สี่มรณภาพไปแล้วก็ไปเป็นภูมิทวาชั้นดีอยู่ในหมู่บ้านภูมิทวาแห่งหนึ่งได้บุญที่บวชพระมาเพื่อรักษาวัดจริงๆแล้วเนี่ยควรจะได้ไปอยู่สูงกันดีนี่ก็คือก็บวชไปงั้น ปิดอบายที่เคยประสบอุบัติเหตุจนกระดูกหักหลายแห่งเส้นเอ็นที่ขาขาดต้องผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเอ็นอยู่ถึงสิบาครั้งเพลาะนายดีเคยเป็นนายพรานได้ขุดหลุมดักสัตว์ประสาท ต, ต, ตกลงไปในหลุมก็เอาเหินทุ่มลงไปจนสัตว์ตายบางครั้งก็ทํากับดักจนสัตว์ติดกับดักกับดักงับขาสัตว์จนเส้นเอ็นขาดและจึงฆ่ามันภายหลังเป็นประจำ บางครั้งก็ปล่อยให้ทรมานอยู่อย่างนั้นเนี่ยกว่าจะฆ่าหลายวันเพื่อเก็บไว้เป็นอาหารเนี่ยทรมา น, นวิบากกรรมนี่มาส่งผลเจ้าที่เดินหน้าพราะบุญในปัจจุบันและบุญที่าุญญาจารย์ได้ช่วยแก้ไขกกับวิบากกรรมเจื อ, อาจางลงใจยังไม่หมดนะจ๊ะถ้าไม่ได้มากราบกุญญาจารย์ก็มีสิทธิ์เดินไม่ได้และอาจจะข่าตัวตายดังจะกบพูดเอาไว้เจ้า พี่เคยปวดทรมานในกระดูกจนต้องฉีดมาอร์ฟีนทุกสามชั่วโมงจนถึงปัจจุบันเพราะการรมที่ทรมานสัตว์ดังกล่าวที่กัดดักอย่างนั้นแหละที่พอสัตว์ติดกับดักก็ปล่อยวันาๆหรือผูกขาสัตว์ไว้ไม่ให้มันหนีปล่อยมันทรมานอยู่อย่างนั้นน่ยมาส่งผลแก่<อ>การฉีดมาอร์ฟีนไปรักษาและเพื่อไม่ให้เจ็บปวดทรมานแม้เป็นสารเสพติดก็ไม่ได้มีวิบากกรรมใดแก่ไปรักษา ตัวลูกมีสีหนองเกิดขึ้นที่ศีรษะตั้งแต่อายุยังไม่ถึงขวบแล้วต่อมาหายไปเองเพราะว่าจีกำแนดิดีที่เคยไปล้อเลียนและไปด่าเพื่อนเด็กด้วยกันน่ยที่หัวก็เป็นสีหนองว่าหัวเน่าจะทำให้เขาเดรับความอับอายนำมาส่งผลจช่แต่วิบากกรรมนั้นเบาบางลงจึงหายไปเองจช่รักษาก็หายไม่รักษาก็หายหมดวิบากกรรมก็หายไปเอง ลูกประสบใัยเกี่วกัเรื่องรอดถึงสองครั้งแต่รอดไมได้ทุกครั้งเพราะเศษกรรมยิงนกตกปลาค่าสัตว์ทหารนันกดีและปัจจุบันมาส่งผลแต่กรรมไม่หนักมากากราบกบุญที่บวชและคุ้มครองไว้จึงทำให้ไม่เป็นอะไรจ้าลูกเคยสร้างบา ร, รมีกหมูขคณะมาโดยพุทธนนที่ผ่านมาเป็นกุลบุตรจ้ะเดาบวชกับพระราชาองค์ที่ออกบวชจนตลอดชีวิต แต่ช่วงแรกที่บวชใหม่ๆเป็นคนสอนยากนิดหน่อยนิดหนึ่ง <c oughs> คือใครสอนก็เดินเฉยๆไปเลยทำเฉยๆ <c oughs> ไม่หือไม่อื้อแต่ไม่เอา <c oughs> อยากนิดหน่อยโดยมีหน้าที่เผยแพร่มีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงองค์พระภายในพอตัวราชกลับดูสิริวงบนพิเศ ษ, ษ, ษได้จ้า <c oughs> ลูกดำมีผังบวตลอดชีวิตไปอยู่แล้วอนัญชาในไกด้แต่งใจบวชทาผังนี้ให้หนานแน่นโดยดําเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทส่วนการเป็นเจ้าวาดนั้นลูกกมีบุญเพียงพอที่จะเป็นได้จ้า <c oughs> อยู่ที่จะสมัครใจเป็นไหม <c oughs> ชาตินี้มาเจอกันล้วไกด์แต่งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญอย้า้ตกบุญเลยและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิธ์บรีวงบนพิเศษเขตวรมโพอริสัตย์จะได้พลัดกันเลยจ้า นี่ก็เป็นเรื่องราวของแค่สั ด, ดีสั้นๆ ส, สำหรับคืนนี้